ข้อสังเกตบางประการและจุด ท, ที่ควรเน้นข้อที่หนึ่งความเชื่อหรือค่านิยมที่ยึดถือกันอย่างหนึ่งของคนอินเดียโบราณนอกจากวันนะก็คือความเชื่อในเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเมื่ออาบหรือกินแล้วจะทำให้บริสุทธิ์จึงมีคนลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาประจำโดยเฉพาะที่พาราณสีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองพระศิวะและที่เมืองขยา ซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองพระวิษณุในวงเล็บวิษณุบาทแม้ก่อนตายก็สั่งให้ญาติมิตรนำศพไปเผาริมน้ำแล้วลอยกระดูกและเท่าฐานที่ยากจนไม่มีฟืนเผาก็เอาศพลอยน้ำแต่หน้าประหลาดทั้งที่น้ำศพกระปรกไม่ปรากฏว่าเป็นพิษแก่ผู้ดื่มกินเมื่อสมัยอังกฤษครองอินเดียได้มีผู้นาตัวอย่างน้าไปวิจัย ปรากฏว่ามีความเป็นด่างอย่างแรงพอที่จะทําลายเชื้ออะฮิวาให้หมดฤทธิ์การที่พราหมณ์ชวนพระพุทธเจ้าไปอาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความปรารถนาดีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความบริสุทธิ์ไม่ได้มีด้วยการอาบน้ําถ้าจะอาบจริงๆก็ให้อาบใจคือปฏิบัติธรรมดีกว่า เป็นการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่พระเถรีรูปหนึ่งคือท่านปุณณิกาเถรีว่าเอาแรงๆกับผู้มาชวนว่าถ้าความบริสุทธิ์มีด้วยการอาบน้ำจริงกบเต่านาคจระเข้ปลาคงได้ไปสวรรค์กันหมดแน่ๆสำหรับเรื่องนี้ดูตำราพระพุทธศาสนาสำหรับม .4 ของผู้บรรยาย ในที่นี้หมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับคือท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงษ์วรรณปกข้อสังเกตข้อที่สองมีศัพที่ควรทราบในแง่วิชาการศั์หนึ่งคือโอปปาติกะหรืออุปปาติกะซึ่งผู้อ่านหรือผมเองเนี่ยจะอ่านว่าโอปปาติกะจนเคยชินแล้วก็อัดมาหลายเล่มแล้วนะครับ ในมหาสีรนาทสูตรได้ให้นิยามว่าได้แก่เทวดามนุษย์บางจําพวกวินิบาตบางจําพวกส่วนใหญ่เวลาพูดถึงโอปปติกะเรามักนึกถึงเทวดาสัตว์นรกไม่นึกว่ามนุษย์ก็เป็นโอปปติกะได้และมนุษย์ประเภทไหนละ่ะในอัธกะนาคะสูตรได้ตอบข้อสงสัยนี้กล่าวว่าเธอตั้งอยู่ในศีล คือสมถะวิปัสนาย่อมถึงความสิ้นแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะยินดีเลิดเพลินในธรรมคือสมถะวิปัสนานั้นเพราะสิ้นโอรัมภาคิยาสังโยชน่าเธอย่อมจะเป็นโอปติกะจะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับมาโลกนั้นเป็นธรรมดาสำหรับข้อความที่เน้นนั้น หมายถึงพระอนาคามีถึงแม้จะไม่ระบุโดยตรงก็รู้ได้เพราะพระอนาคามีละโอรัมภากิยะสังโยชน้าได้ประสูตรบังสูตรที่กล่าวว่าผู้ไม่เชื่อว่ามีโอปติกะเป็นมิจฉาทิฏฐินักวิชาการบางคนไปเน้นแต่เรื่องผีสางเทวดาที่จริงน่าจะหมายถึงด้วยว่า คนที่ไม่เชื่อว่ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับอนาคามีเป็นมิจฉาทิฐิข้อสังเกตข้อที่สข้อเปรียบเทียบที่คมคายอย่างหนึ่งคือเปรียบปริยัตในวงเล็บการศึกษาเล่าเรียนที่เรียนไม่ดีไม่ถูกเช่นเรียนเพื่อโก้เพื่ออวดคนอื่น เพื่อให้เขาสรรเสริญว่าตนรู้มากยิ่งเรียนทิฏฐิยิ่งมากมีแต่นำโทษมาให้เหมือนจับงูพิษที่หางยอมถูกงูแบงกัดเอาถึงตายได้ในอัตถกถาธรรมบทเล่าเรื่องนักปริยัตตายไปเกิดเป็นปลาทองปากเหม็นหรือพระหูสูตรรูปหนึ่งชื่อโปธิละถูกพระพุทธเจ้าเรียกว่าใบลานเปล่า แสดงว่าไม่ทรงสัญเสริญความรู้โดยไม่ปฏิบัติอีกแห่งหนึ่งในพระสูตรเดียวกันนี้คืออารักขาทูปมสูตรเปรียบธรรมะเหมือนแพรสำหรับพาคนข้ามน้ำตราบใดที่ยังข้าไม่ถึงฝั่งแพรก็จำเป็นแต่ถ้าถึงฝั่งแล้วใครแบกมันไปด้วยเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์เหลือเกินก็จะถูกหาว่าบ้าหรือทาไม่ถูกเรื่อง ธรรมะก็เหมือนกันเป็นเพียงอุปกรณ์ให้ผู้ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ตัวเป้าหมายเองปราบใดที่ยังไม่บรรลุนิพพานธรรมะก็ยังจำเป็นแต่ถ้าบรรลุแล้วก็หมดความจำเป็นข้อความตรงนี้เน้นด้วยว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งความดีหรือธรรมะ ข้อสังเกตข้อที่ส่วามมิกาสูรเป็นตัวอย่างปริศนาธรรมในวงเล็บโกอา่านซึ่งมีไม่มากในเทรวาดปริศนามีว่าหนึ่งมีจอมปลวกหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ 2. พรามณ์บอกให้ลูกศิษย์ชื่อสุมเมทะขุดสมสุมเมทะใช้จอบขุด 4. พบลิ่มสลักหถอดลิ่มสลักออกเจออึงอ่าง 6. ขุดต่อไปเจอทางสองแพร่ง 7. หม้อน้ำด่าง 8. เขียงหั่นเนื้อ 9. ชิ้นเนื้อสิบงูใหญ่สิป็ดพระผู้เป็นอาจารย์บอกให้เลิกขุดกล่าวว่าอย่าทำอะไรมัน จงปฏิบัติต่อมันให้ดีไข ค, ความว่าหนึ่งจอมปลวกหมายถึงตัวเรากลางคืนเป็นควันหมายถึงเวลากลางคืนก็นอนคิดวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างกลางวันเป็นไฟหมายถึงกลางวันก็ต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตามแผนการที่คิดเอาไว้ 2. พราหมณ์หมายถึงพระศาสดาลูกศิษย์หมายถึงสาวกผู้ใกล้ธรรมะที่ฉลาดสุเมทะแปลว่าฉลาดสาจอบหมายถึงปัญญาการขุดหมายถึงความเพียรสลิมสลักหมายถึงอวิชชาความโง่เขลาหาอึงอ่าง หมายถึงความเครียดแท้นโทษะ 6. ทางสองแพร่งหมายถึงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเจหม้อน้ำด่างหมายถึงนิวรห้า 8. เขียงหั่นเนื้อหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะความคิดคำหนึง่งหมายเหตุผู้อ่าน สำหรับคำว่าภัรษะและความคิดคำหนึ่งน่าจะมาจากคำว่าโพตพะและธรรมะหรือธรรมารมนะครับ 9. ชิ้นเนื้อหมายถึงความเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นส0งูใหญ่หมายถึงพระอระหันต์พอถึงภาวะเป็นพระอระหันต์แล้ว ก็ไม่ต้องขุดอีกต่อไปเพราะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วข้อสังเกตข้อที่หาสาระของการบวชหรือเป้าหมายของการบวชอยู่ที่ไหนในจูลสราโรปรมาสูตรได้พูดถึงบุรุษต้องการแก่นไม้แต่แทนที่จะเอาแก่น ก็เอากิ่งและใบบ้างสะเก็ดบ้างเปลือกบ้างกะผีบ้างด้วยสำคัญผิดคิดว่าเป็นแก่นแล้วเปรียบเทียบกับกุลบุตรบางคนหรือหลายคนออกบวชตั้งใจจะพ้นทุกข์แต่ข้อปฏิบัติของเขาไม่ต่างอะไรกับบุรุษไม่รู้จักแก่นไม้บางคนบวชแล้วมีลาบสักการะมีชื่อเสียงก็อิ่มใจพอใจ นึกว่าตนเป็นพระรวยพระดังดูถูกพระรูปอื่นคนชนิดนี้บวชมาได้เพียงกิ่งและใบศาสนาบางคนไม่พอใจแค่ลาบสการะชื่อเสียงพยายามรักษาศีลให้บริบูรณ์พอใจในศีลกระยิมว่าเราเป็นพระเคร่งดูถูกดูหมิ่นพระอื่นๆว่าม่เคร่งเท่าตนเขาได้เพียงสะเก็ดศาสนา บางคนไม่พอใจแค่ศีลพยายามปฏิบัติในสมาธิยกตนข่มเหงผู้อื่นเพราะสมาธิที่ได้นั้นเขาเป็นได้เพียงเปลือกศาสนาบางคนไม่พอใจแค่นั้นพยายามปฏิบัติจนได้ญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามความจริงหรือปัญญาพอใจแค่นั้นยกตนข่มเหงผู้อื่น เพราะปัญญาที่ได้นั้นคนนี้ได้เพียงกระพีศาสนาบางคนไม่พอใจแค่นั้นพยายามปฏิบัติจนได้อสวะคขยะยานคือหมดอสวะวิมุตตหลุดพ้นจากกิเลสคนนี้เรียกว่าบวชมาแล้วได้แก่นศาสนาสรุปลาบสักการะ เท่ากับกิ่งและใบศาสนาศีษเท่ากับสเก็ตศาสนาสมาธิเท่ากับเปลือกศาสนาญาณทัศนะหรือปัญญาเท่ากับประพีศาสนาอสวกคยญาณหรือวิมุตหลุดพ้นจากกิเลส ท, ที่ไม่กำเริบอีกเท่ากับแก่นศาสนา